จะมีตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านสีรล้านก็ตามก็ย่นลงในดินในนม้มในไฟในลมเพราะมีธาตุดินนา้าไฟลมทีนี้มีธุระอะไรก็ทำซะก่อนเราเกินน้ำเราเกินอาหารมันแหวกน้ำเสลดลงไปมันแหวกเหมือนกันแหวก น, เนว้เสลดแหวเราโยดเกินเราโยดเกินมันก็ปิดปับ๊บ เราขึนลงไปกแวกลงมาแหวกน้ำเสลีย์ครังอยู่เป็นมงุงม่วครั้งอยู่ที่คอหอยเนี่ยเรากื้นลงไปก็แหวกน้ำเสลีย์ลงไปถ้าไม่มีน้ำเสลีย์ขังอยู่พวกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเหม็นคุ้ง ม, มดเนี่ยเพราะมันกาําบังกินปฏิกูลน้ำเสลียะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นกายยกตาสติอยู่ในตัวหรือเป็นอาสุภะ อาสุภาะก็แปลว่าของไม่สวยไม่งามของศกปกโสมมุมซึ่งมีหนังหุมอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมัติเมียงกายมีอยู่ในกายนี้เกษาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายเวลาพูดถึงผมก็ต้องจิตก็ต้องจับอยู่ที่ผม เมื่อปารบ ถ, ถึงขนจิต ก, ก็ต้องจับอยู่ที่ขนเมื่อปารบ ถ, ถึงเล็บจิต ก, ก็ต้องจับอยู่ที่เล็บเมื่อปารบ ถ, ถึงฟันจิตก็ต้องจับอยู่ที่ฟันเมื่อปาปาบถึงหนังที่หุ้มอยู่โดยรอบจิต ก, ก, ก็จับอยู่ที่หนังหุ้มอยู่โดยรอบเมื่อปารบถึงเนื้อถัดหนังเข้าไปพอกกระดูกไว้เหมือนดังดินทาฝาเมื่อปารบ ถ, ถึงเอ็น จิตใจก็นอมาหาเอ็นที่ผูกมัดตรัสรึงไว้ในกระดูกไม่ให้กระจัดกระจายเมื่อปลาร็บถึงกระดูกกิดก็ต้องจับอยู่ในกระดูกมีชีขาวๆมีลักษณะขาวๆเหมือนดังสังที่ยังไม่ได้ขัดเมื่อป่าร็บว่าย้อนในกระดูกก็เหมือนยอดไว้จะเขาเผา อ, อ่อนๆแล้วยัดใส่กระบอกม้า ตั้งอยู่หัวใจตั้งอยู่ข้าง้ายอกเหมือนมะม่วงสองผลที่มีคู่อันเดียวกันหัวใจตั้งอยู่ท่ามกลางอกเหมือนดอกบัวตูมเมื่อผ่าออกก็มีน้ำอยู่ซองมือเวลาเราโกรธหน้าหัวใจก็ดำเหตุฉะนั้นเวลาเราโกรธอะไรอะไรหน้าของเราจรึงดำจึงแดง เพราน้ำเลี้ยงหัวใจมันเปลี่ยนสีโลภก็เหมือนกันหลงก็เหมือนกันเมื่อเวลาว่าเมื่อเวลาเรานึกเมตตาโกโราุณาหรือเราภาวนาอนิสังทุกขังอนัตตาหรือภาวนาอันะไรหนึ่งหรือเลื่อมใสในทานศีลภาวนาใดหนึ่งซึ่งเป็นกุศลผลบุญแล้วน้ําเลี้ยงหัวใจของเราก็ใสส่วนพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นท่านใสอ ย, อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนส่วนน้ําเลี้ยงหัวใจของพระโสดาบันก็ใสอ ย, อยู่ แต่ไม่ใช่มากแต่แม่กลับขุนเหมือนกับพวกโลกีเพราะเป็นโลโกตราแล้ยตับเป็นแผ่นเนื้อสองแผ่นสีดำคล้ำเหมือนลิ้นโคดำผู้มีปัญญาตับเป็นสองแสกบ้าสามแสกบ้าเหมือนลิ้นโคดำเป็นแผ่นเนื้อสองแผ่นปอดตั้งข้วม้ามหัวใจตับอยู่ ไตคงจะเป็นเหมือนไตไก่ระมังปอดไส้ใหญ่ปลายข้างหนึ่งอยู่้อหอยปลายข้างหนึ่งอยู่วาวรหักทบไปทบมาเป็นยี่สิบเอ็ดขดมีกลิ่นและสีเหม็นถ้าเราถ่ายท่อแล้วก็ถ่ายเข้าไปเฉย เราไม่มีคนน้อยเข้าไปร่างให้ก็เทเข้าใส่ใเฉยทีนี้กลิ่นและสีของเราในสกนรกายนี่ในลำไส้ใหญ่ของเรามีกลิ่นเหม็นอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไส้น้อยที่รัดเหนียวไส้ใหญ่ที่ทบไปทบมาไส้ใหญ่มียี่สิบเอดขด ผูน้อยก็มีมียี่สิบเอ็ดขดผู้ใหญ่ผู้สูงก็มียี่สิบเอ็ดขดยี่สิบเอ็ดขดของไขรของมันตามส่วนของไขรของมันอาหารใหม่ที่กกินลงไปในกระเพาะอาหารเก่าก็ปนกันอยู่นี่คือธาตุดินเราทานอาหารก็เรียกว่าเอาดินมาบวกดินส่วนที่เป็นน้ําก็ไปบวกน้ำส่วนที่อบอุ่นก็ไปบวกไฟ ส่วนที่พัดไปมาก็ไปบวกลมหรือบรรเทาลมบรนเทาดินบรนเทาน้าบอ น, นเทาไฟบรรเทาลมให้อยู่พอประทางประทางไปนี่เป็นธาตุดินธาตุดินสมมติว่าเอามากองไว้สักทีนี้ธาตุดินเอากองว้ทีนี่สะกแยกธาตุทีนี้ธาตุดินเอากองมาแล้วข้าน้ำน้ำดีฝังอยู่ใต้ตับ เขาจะเท่าเนื้อมือนิกวางเป็นหน้าที่เขียวที่ไม่มีเขียวที่ไม่มีสีเขียวนะเชืมทราบทั่วทั้งสกลกายเว้นไว้แต่เล็บฟันหนังอันเป็นเว้นไว้แต่ของแข็งที่เป็นเล็บและฟันน้ามเชลดทั้งคนมั่งมวกที่ว่ามาแล้วนั้นน้าหนองเหยื่อตามซีระบาดแผลน้าเลือด ตั้งท่วมม้ามหัวใจตบปอดอยู่ไร้ซึมซาบลงมาในหัวใจในตับในปอดทีละเล็กทีละน้อยเหมือนน้าคลั่งจางๆที่เป็นก้อนเป็นก้อนท่วมม้ามหัวใจตบปอดไหลลงมาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหมือนน้าคลั่งจางๆแ ม, ม่แต่ผมขนเล็บฟันอันเป็นของแข็งเสียน้ำเงือ้อ ออกมาจากคบผมคุ้งขนของเราในเวลามันร่อนจัดหรือธาตุวิกลวิกายวิกลวิกา ร, ร, กการมันค้นอยู่ตามจะงอยบ่าหรือหน้าผากหรือหลังมือหลังเท้าเปยวมันคงเป็นน้ามันในทอ่อน้ามลาย ที่เกิดน้ำลายอยู่ใต้ลิ้นไหลออกมากระพุ้งแก้มทั้งสองน้ำมูกไหลลงมาทั้งนี่นี่น้ำไข้ข้ออยู่ตามข้อกระดูกมัทเกเมัททะลวงคั ง, งกระโหลกศีรษะมันสมองนั่นก็ผมนั่นก็ขน ขนทวารหนักขนทวารเบาขนรักแร้ขนรูจมูกนั่นก็แลบนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็กระดูกนั่นก็เยื่อในกระดูกนั่นก็ม้ามนั่นก็หัวใจนั่นก็ตับนั่นก็พังผืดนั่นก็ไตนั่นก็ปอดนั่นก็ไส้ใหญ่นั่นก็ไส้น้อยนั่นก็อาหารใหม่นั่นก็อาหารเก่าของอันไหนที่มันสวยแลงาม ทำไมจึงมากำหนัดตายนี่นักหนานี่ปัญหาของเราจะถามเรานั่นก็น้ำดีนั่นก็น้ำเสลขังอยู่เป็นวงม่วงนั่นก็น้ำหนองสมมุติว่าอยู่ในบาดแผลนั่นก็เลือดน้ำเลือดมีสองอย่างทั้งท่วมน้มกระปอดไหลลงไปในน้ำในปัดตับในปอดอยู่ทีละเล็กทีละน้อย เหมือนน้ำข้างกลางมันค้นอยู่ตามจงหวยบ่านั่นก็มันค้นนั่นก็น้ำตาไหลออกจากบุนตาทั้งสองน้ำลายที่เกิดน้ำลายใต้ลิ่นไหลมากระพุ่มแก้มทั้งสองน้ำมูกไหลลงมาทั้งนี้อยู่มันหัวสมองน้ำไข้ข้ออยู่ตามข้อกระดูกน้ำมูกกระออกจากอ่า หาหารใหม่เป็นที่อยู่ของปัชวะนี่ก็ะถางน้านี่แยกออกมาแล้วธาตุไฟนี่ไฟที่ยังกายให้อบอุน่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมให้แก่ให้ชราไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟยังกายให้กวนกวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนี้ก็ถางไฟดินนา้าไฟลมพัดขึ้นบางบน ลมหาวลมเลอลมอ้วกลมพัดลงบื้องต่ำหายลมหรือถ่ายอุจจระถ่ายปัชวะลมในท้องนอกไส้ลมในลำไส้ลมพัดไปตามตัวตามเส้นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกความกำหนดพิจารณาคายนี่เห็นให้เหนเ็นแต่เพียงทาตสี คือเด น, น้ำไฟลมประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกธาดกรรมฐานเรียกว่ากายยักษตาสติมีสติระลึกไปในกายผู้ใดมีสติระลึกไปในกายทั้งภายในและภายนอกราคะคนนั่นจะไม่รุกรานเมื่อราคะไม่รุกรานโทสะก็เบาไปในตัว ระารมาสซาดาองค์ท่านบอกว่าที่แก่งแย่งทุ่มเสียงเกี่ยงงอนกันในมนุษย์โลกเพราะทิฏฐิอะไรท่านต่อว่าทิฏฐิราคะเมื่อราคะไม่ได้สมประสงค์แล้วก็เกิดโทสะถ้าราคะจัดก็ไม่สามารถจะตัดสูุได้เปรียบเหมือนไม้ที่จึ่ง ท, ท, ที่มียางและจิ้งอยู่ในาน้าด้วย เอามาสีให้เป็นไฟมันก็ไม่เป็นถ้าราคะเบาลงแล้วเช่นพระสัสดาบันก็คล้ายๆกับน้าคล้ายๆกับไม้ที่ชุ่มด้ยอยยางแต่ขึ้นบนบกราคะจัดก็หมายความว่าทั้งชุ่มดยอยยางด้วยทั้งแช่น้าด้วยไม่สามารถจะสีเป็นไฟได้ถ้าไม่จัดชุ่มดวยยาง แต่ว่าตั้งอยู่บนบกก็ไม่สามารถจะสีให้เป็นไฟได้ถ้าแห้งทั้งอยู่ตั้งตั้งอยู่บนบกด้วยก็สามารถจะสีเป็นไฟได้คือพระอนาคามีก็จะถึงพระรหันต์ส่วนพระสวราวันก็จะถึงอยู่เหมือนกันแต่ยังช้าอยู่พระกทาคามีก็ยังช้าอยู่พระอนาคามีถ้าเดินเรือ ก็ถึงเรียมฝังแล้วใกล้จะขึ้นฝั่งแล้วพระอรหันขึ้นฝังพุทธเลยฝังอะไรคือฝั่งไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามีอยู่ในเราเราก็ปฏิเสธไม่ได้จําเป็นต้องจะได้เห็นโทษจําเป็นต้องจะได้เห็นคุณที่เราพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณามันก็เป็นโทษจริงจริงมันก็กาเริบจริงจริงถ้าเราพิจารณามันก็ไม่แสดงอิทธิพลมาก ส่วนพระอนาคามีท่านขาดไปแล้วในราคะกับโทสะท่านขาดไปแล้วก็ยังเหลือโมหะอันเดียวแต่โมหะความหลงขององค์ท่านมันเบาเหลือเกินถ้าเป็นหน้ามก็มตรกรนนิดหน่อยสิงเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจตพิการณาทั้งนั้น ใครมาใครไปไหนก็เอาใจไปด้วยใครมาไหนก็เอาใจมาด้วยนอนก็เอาใจนอนนั่งก็เอาใจนั่งนี่นย้อนคําสอนลงมาหาใจก็จําเป็นก็ต้องเลรักษาใจถ้าไม่รักษาใจมันก็เพีดยนยิ่งเก่งไม่น้อยก็ต้องมากแต่คนเราเมื่อยังไม่ถึงพระอรหันต์ก็ต้องมีเิดอยู่บ้างเพิดกันแต่น้อยแล้วมาก ส่วนพระอนาคามีเกือบจะหมดแล้วอัตนาจโจทยักตากันควรเตือนตนด้วยตนเองเขาบอกเรามาศาสนาตนก็สมมติว่าใจใจก็สมมุติว่าตนเพราะไปไหนก็เอาใจไปด้วยใครมายมาอยู่ด้วยกันก็เอาใจมาด้วยก็ต่างคนก็ต้องต่างรักษาใจของตนของใครของมันทีนี่ กิเลสทั้งหลายก็จะไม่ยุ่งเหยิงที่กิเลสมันยุ่งเหยิงอยู่นี่ก็เพราะต่างคนไม่ต่างรักษาใจของตนนั่นเองผู้มีกิเลสน้อยก็เอาออกน้อยผู้มีกิเลสมากก็เอาออกมากเพราะกิเลสมันแสดงปาฏิหารมันจะเ น, นี่ยงอยู่เฉยเฉยมันก็เนี่ยงไม่ได้เวลาเข้าสมาธิมันก็เนิ่งคือว่า เมื่อออกจากสมาธิมามันก็แสดงปาฏิหาริย์จะปฏิเสธไม่ได้เมื่อการอาบน้ำปฏิเสธไม่ได้การปฏิบัติจิตใจก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนั่นบาปมันมีอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่ที่ใจบุญมันมีอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่ที่ใจถ้ามันมีถ้าไม่มีมันก็ไม่มีอยู่ที่ใจพญตูปฐานายานเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว สังขารภายในก็คือใจแยกมานา ม, มาสังขารสังขารภายนอกก็คือลูกคือเด่นหน้าพระลมประชงกันเป็นกายเรียกว่ารูปก็สามารถเกิดโรคอะไรต่ออะไรสารพัดในสกลละกายนี่เหตุฉะนั้นพระมหากัจปะท่านบวช ด, ด้วยโอวาทสามข้อไม่เหมือนท่านผู้อื่นท่านผู้อื่นก็มีเอหีพิคุก็สัมปทาบ้าง ติชนะคัมภูริปสมภาว่าส่วนยัตติจะจุดจธัคกรรมวายการนี่ตอนปัจฉิมวายของพระองค์ทรงอนุญาตส่วนผสมอวายกับมัชชิมะวายส่วนส่วนผสมอาการกับมัชชิมะการมัญญัติเจเพียงเอหีพุคุปสัมภารกับติชนะคัมภูริปสมททัมภารเอหีพุคูปสมัมภารเคยบวชยังไงท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ทำเราล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรมจันให้ถึงที่สุดทุกโดยชอบเถิดดังนี้ผ้าผ่อนท่านชบายก็มาสวมตัวของท่านเองหัวก็โล่นเองไม่รู้หายไปไหนทีนี้พระบรมศรรษษสราสดาก่าวพระมหากัตปะย้อนคืนมาอีกเพราะยังไม่เสร็จข้าพระองค์จะมีสติไปในกาย จะพิจารณากายเป็นอารมณ์และอีกข้อหนึ่งข้าพระองค์จะทำตนเป็นผู้ถ่อมตนเสมอในเวลาเข้าไปในสังคมจะไม่เป็นทำท่าเป็นผู้ผึ่งผายจะยำเกรงภิกษุทั้งผู้น้อยและผู้แก่ะจะทำตนเป็นคนใหม่เสมอเสมอ จะไม่คุ้นเชื่องในตระกูลจะทำคนเป็นคนใหม่เสมอสม อ, อีกข้อหนึ่งเวลาฟังเทศข้าพเจ้าจะเงี่ยวหูลงฟังข้าพเจ้าขอปฏิญญาสามข้อนี้เออถ้าอย่างนั้นเธอก็บวชซะบวช ด, ด้วยโอวาทสามข้อไมไม่เหมือนองค์อื่นถ้าอย่างนั้นเธอก็บวชซะก็ได้บวช อวาสามข้อเท่านั้นไม่ได้บวช ด, ด้วยเอหิพิคุปปะสมทาไม่ได้บวช ด, ด้วยติชนะคมนุปปะสมทาท่านพระมหากัจจปะพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์เป็นส่วนมากเวลาท่านจะออกบวชก็ อ, ออกบวชกับนางพัตกาปิราณีนอนอยู่เตียงเดียวกัน เอาดอกไม้ไปกั้นไว้เอาพวงดอกไม้ไปกั้นไว้นอนอยู่เหมือนพี่กับน้องเหมือนอยู่เกือบคี้ดินเหมือนก้อนดินอยู่ด้วยกันที่นี่พวกเราก็แก่แล้วพวกเราไปบวชไม่ดีหรือเอไอไปก็ไปก็เลยตามหลังกันมาพอไปถึงตลาดไปซื้อบาตดินคนละลูก แล้ก็พินหลังใส่กันเราจะไปหาพระบรมศาสดาให้เธอไปหานางพิเศษเี่ยเนี่ยพินหลังใส่กันเลยไปไม่นานเท่าไรก็สําเร็จพระรหัสท่านบวชมากึ่งเดือนสําเร็จพระรหัสพระโมกคัลาบวชมาเจ็ดวันสําเร็จพระรหัสพรภสาเรบุตรสิบห้าวันโอ้กึ่งเดือนสิบห้าวันกูจึงสําเร็จพระรหัส แต่พวกเราบวชมากี่พรรษาแล้วถึงพระสวัอดิ awan แล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราจะตรวจเราดูพวกเราปฏิบัติมาในพระพุทธศาสนาพวกฆร า, าวาสก็ดีเราถึงพระพุทธศาสนาเราหยุดด้านการพนันแล้วหรือยังเราเข้ารอบเซนห้าหรือยัง ก็เป็นหน้าที่ของใครของมันจะตรวจดูนี่พระกะมุมนั้นกันผู้เทศอยู่นี่กมุมนั้นกันก็เป็นหน้าที่จะได้ตรวจดูการเทศคนอื่นเป็นชั้นที่สองการเทศให้ตนเองและปฏิบัติตนเองเป็นชั้นที่หนึ่งการเทศท่านผู้อื่นที่มาเกยมาพาดถ้าเราปัดมันก็ทับถ้าเราสู้ตะพึดตะพือมันก็ทับอีกเหมือนกันนง ถ้าเรามุ่งจะปัดมันก็ทับเรามุ่งจะสู้จนวันตายมันก็ทับเหมือนกันถ้าหากเราพ้นทุกข์แล้วไม่เป็นปัญหาปุทธิศาธรรมสาเลติฝึกฝนตนดีแล้วจึงฝึกท่านผู้อื่นจึงไม่เดือดร้อนในภายหลังนั่นพระบรมชาตินาปฏิปชาของหลวงปู่มั่นการปฏิบัติตนเองเป็นชั้นที่หนึ่ง ปฏิบัติลูกศิษย์ที่มาข อ, อนื้อใจเป็นชั้นที่สองการสั่งสอนพวกญาติโยมเป็นชั้นที่สามแต่พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียแล้วพอได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็ได้เป็นตำรวจปอมแล้วก็ออกหากินเที่ยวเทศคนแม่นายก็ตายเป็นส่วนมากคารวะชั้นพระบรมศาธดาข้างพุทธการ สำหรับฆาราวาสจะทํากับพระภิกษุสงฆ์ด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนโกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาข้อสี่ด้วยเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนคือไม่ปิดประตูทางกายไม่ปิดประตูทางวาลกา ไม่ไปปิดประตูทางใจเรียกว่าไม่ปิดประตูให้ความสะดวกสบายเรียกว่าไม่ปิดประตูเป็นไปเบนทาบาทอันนี้มันหยากปิดประตูเบนทาบาทก็ไม่ถูกไม่ไม่ใช่ไม่ปิดประตูทางกายให้ความสะดวกไม่ปิดประตูทางวาจารให้ความสะดวกไม่ปิดประตูทางอปิดประตูไม่ปิดประตูทางกางคือมีเมตตา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 สี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่หกบอกทางสวรรค์ให้นั่นนั่นพระบรมศาสดาบัญญัติไม่หมดแล้วแต่พวกเราเอามาใช่ไม่ถูกไม่ค่อยจะถูกพระเอามาใช่ก็ไม่ค่อยจะถูกโยมเอามาใช่ก็ไม่ค่อยจะถูกพราะเหตุใดเพราะไม่รู้จักคัดในข้อวัดอันนี้มีอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีล่วงไปสนุกฟังเทศกองทุก มองไปทางไหนก็สนุกฟังเทศกองทุกเรียกว่าอาริยสัจทุกขังอริยสัจจังเทศให้ฟังอยู่ทั้งภายนอกและภายในภายในก็คือสะกวัละกายเทศให้ฟังอยู่เปืยเน่าสาราพัดแก่เก็บตายก็ไม่ลงธรรมะเปื่อยเน่าก็ไม่ลงธรรมะเทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนสนุกฟังเทศแว้วยแต่ไม่ต้องการฟังนักเทศไมีมากแล้วเดี๋ยวนี้ นักเทศแก่ก็ไม่ลงธรรมะนักเทศเจ็บก็ไม่ลงธรรมะนักเทศตายก็ไม่ลงธรรมะคือก่อนตายแขวนคออยู่นักเทศเปื่อยเน่าก็ไม่ลงธรรมะนักเทศทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็ไม่ลงธรรมะนักเทศเปื่อยเน่าก็ไม่ลงธรรมในีักแรงําไส้มันจะได้รับอากาศหอมสักทีไหมไม่มี สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่จับพิจารณาทั้งนั้นณนะโมก็คือณโมกายคือน้อมน้อมกายคือพิจารนกายณนะโมวายกายก็คือพูดให้เป็นประโยชน์ถึงจะแพรละสนะโสตหรือไม่แพ้ละสนะโสตก็าตามเพื่อวังอัดฝังธรรมจึงถูกถึงจะไม่แพรละก็าตามแต่ขอให้เพื่อวังอัดวังธรรม ถึงจะเป็นกระโชคกระชาก็ตามแต่เจตนาขอให้วังอัดวังทำก็เป็นพอเช่นหลวงปู่มหาท่านจึงพูดบ่อยว่าสันผ้าสันผ้าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านพูดหยาบท่านพูดในถึงธรรมพูดแบบคนกันเองท่านพูดบางรายบางรายที่ถูกผู้สูงสูงมาถามท่านท่านก็บอกว่าข้อนี้วิกลับไวซะก่อนพบกันข่าวหน้าจึงพูดอีก ท่านฉลาดมากหลวงปู่มหายกให้เราให้เลยพระอาชาเชะถึงพระสวจดบันแล้วภาษารีบุตรออกจากสนชัยนาตบุตอไปเห็นท่านผิวพันวันณะของท่านผ่องใสมากเวลาท่านเดินไปท่านคงรู้จักกินยาบทของท่านอยู่ทุกก้าว เหลือบซ้ายแลขวาเหลียวซ้ายแลขวาเขาก็ไม่หลงทำเขาก็ไม่หลงแกงท่านคงมีสติอยู่แล้วผมอยากจะทราบว่าใครเป็นศาสด า, า, าของท่านขอให้ท่านเทศท่าฟังด้วยสิ่งไหนเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปสิ่งไหนเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นก็ต้องดับแต่เหตุเออพอแล้วครับจะไปหาพระมกคันลาสหายกัน ลาออกจากกันไปหาพระโมกคลาเพื่อนเพื่อนมาจากไหนวันนี้ดูผิวพรรณวันน่ะหน้าตาผ่องใสกว่าแต่ก่อนคงจะได้ทำพิเศษกำลังเพื่อนมาเล่าให้กันฟังสิทำมันได้เกิดแต่เหตุทำนั้นดับแต่เหตุเราได้ไปเห็นพระพิษุองค์หนึ่งจมูกโด่งเอวรัดสูงใหญ่รูปสวยพระโมกคลาก็เลยได้ประสวตดาบันด้วยกันถ้าอานั้นเราก็ไปลาสนชัยซะ ก็เลยไปลาสนชัยนาฏบุตรสนชัยนาฏบุตรก็กล่าวว่าเออคนโง่ามามาอยู่กับเราคนฉลาดไปอยู่กับขรรมซะพระขรรมซะพระสนชัยนาฏบุตรมีบริวารห้าร้อยคนเมื่อสาวกสักสองคนที่เป็นลือชาปรากฏโมกขาลาสารนบุตรไปอยู่กับพระบรมศาสดาเลยเ ส, ยนสนาธนะของท่านของเงียบเหงาหมดยนเงียบเลย จับเหงาหมดต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งปรากฏปรากฏในใจของพวกที่อยู่นั่นขณ น, นพระอัตเชษจึงพูดถ่อมตนแก่พระโมกคันลาโอ้จึงพูดถ่อมตนแก่พระอัตเชษก็เพราะเหตุว่าที่อยู่ในสวนชัยนาทตบุตรนั่นเขาก็ลือชาปรากฏว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากอยู่แล้ว ท่านฉลาดพูดรู้จักคนรู้จักบุคคลแต่พวกเราไม่รู้อะไรต่ออะไรละเพงเพงเพงเลยไม่รู้ว่าเขาอยู่ในระดับไหนบ้าเหลือเกินเนีย <c oughs> แต่ชาติจัดเป็นบ้าพวกเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งมัวในโลกเนี่ยคําสอนของพุทธศาสนามันเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยผู้ปฏิบัติมากก็ได้มากจะให้เสียเลยไม่มีจะให้ขาดทุนเลยไม่มีพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว พระงปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตามด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างทรงสั่งสอนด้วยจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมควรรู้ควรเห็นทรงสั่งสอนอาจจะตองตามมาเห็นจริงได้ทรงสั่งสอนไป็น อ, อาสกันคือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้สมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ควรแก่การปฏิบัติทีนี้โอวาทของพระพุทธเจ้าก็มีสามอย่างเว้นจากทุจธเจดีเอพุทชั่วด้วยกายวายกายใจ ประ ก, กอบสุดเจติทือพืชชอบด้วยกายวายกาใ จ, ใจก็ทำใจของสนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโรคปวดหลงเป็นต้นยน่นลงมาเป็นสามอะถ้ายน่นลงมาเป็นสองก็กายกับใจถ้ายน่นเป็นลงมาเป็นหนึ่งก็ใจไปที่ไหนก็เอากายเอาวายาเอาใจไปด้วยถ้าเราถือพระพุทธศาสนาเราก็ไปกับพระพุทธศาสนาสิเอ่อเมื่อนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็ไปกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์เมืม่อเราแล้วนึกถึงผีเราก็ต้องไปถึงผีเมื่อเรารับถือผีเมื่อเรารั บ, รบถือ ถือสยาสตรแล้วก็ไปกับเสยศาสตรนอนกับปสยศาสตร์นนกั น, นทําดีกว่าไม่ทําทําดีไว้เป็นที่พึ่งของความดีทําชั่วเป็นที่พึ่งของความชัว่วถ้าไม่ชัว่วหมู่เราพวกเราก็ไม่มาปฏิบัติถ้ามีกิเลสดู่ใครจะมาบวชทําไมก็มันมีกิเลสจึงมาบวชเนี่ยจึงมาถือพุทธศาสนาเนี่ยในโลกมันสมประสงไหมไม่สมประสงค์ ถ้ า, าว่าสมประสงอยู่ในโลกพระรหันต์ก็เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้ไม่มีที่สมประสงค์เลยเท่ า, มาเมล็ดงาก็ไม่มีถ้ า, าว่ามีสิ่งที่สมประสงค์เท่ า, มาเมล็ดงาอยู่วิญญาณปฏิสนธิของพระอนาคามีหรือพระรหันต์ก็ต้องไปอยู่นั้นเพราะมันมีที่สมประสงค์มันมีที่เกาะนี่มันไม่มีเช่เลยมันก็ตรงกับความว่าลักษณะที่มีเสมอคันแก่สังขานทาั้งปวงเรียกไตรลักษณะ แยกเป็นสามอย่างหนึ่งอันนี้จตาความเป็นที่ไม่เที่ยงสองทุกขตาความเป็นทุกข์สามอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนอันนี้เสมอภาคกันในสังขารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเหตุฉะนั้นใครจะภาวนาอะไรก็ตามถ้าไม่ชักกลงสู่อันนี้จังทุกของอนัตตาแล้วก็ไม่เป็นที่พัฒนาปัญญาเยี๋ยวเวิปัฒนาธุระ ไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่สมาธิธุระมีปัจฉนาธุระธุระในทางปัญญาผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็เลื่มใสพระพุทธศาสนาไม่ได้นั่นผู้ไม่มีปัญญาก็ทําสมาธิให้ขึ้นไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่รอบคอบในสังขารทางปวงนั่นเราุฉะนั้นปัญญาจึงเป็นนายหน้าของธรรมทุกหมวดคนที่มีปัญญาเขาจึงเอาเป็นคนหัวหน้า แต่ทุกวันนี้เอาเป็นประมาณไม่ได้ผู้ใดมีเงินมากก็เอาเท่านั้นแหะก็บางทีแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นอย่างนั่นหนอกก็มองเหมือนกัน่ะไม่พอที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้ท่านก็ไม่ให้เอาถึงเอาเขาก็ปั้มลงไม่นานนะตัวเ้าอี้นอกจากตนก็ไม่มีอันไดจะทําลายตนนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทําลายใจ นอกจากใจก็ไม่ไม่มีอะไรกระทําให้ใจสูงขึ้นนอกจากใจก็ไม่มีอันไดกระทําใจให้ต่ําลงคือสี่ส่วนที่ปัญญารวมลงที่นั่นนะพูดสามแล้วก็รวมลงมาเป็นหนึ่งตาหูจมูกเล้นกายเป็นเมืองขึ้นของใจกายกับวาจาก็เป็นเมืองขึ้นของใจใจจะพาไปผิดหรืไปถูกเขาก็ไม่รับรองอะไร ถ้าใจมีสติปัญญาก็พาไปถูกข่าวไหนใจไม่มีสติปัญญาก็พาไปผิดแต่ผลของผิดของถูกนั่งกายขาบาล่ใจไม่มาแย่งเอาตาหูจะบกเลี่ยนกายก็ไม่มายั่งเอาตาหูจะบกเลี่ยนกายจัดเป็นรูปขันใจจัดเป็นนามขันธาตุสีดินน้ำไฟลมจัดเป็นรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนามขันมันก็ขันแปหาเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลาย ขันต่อทารามนโถกันเนี่ยลบออกเสียขันเหมือนไก่เล เ, เนี่ยเอาต่อขอตนอหนูนุเลขันทุกขันทะเนี่ยลบซะเพื่อให้เข้าใจง่ายแก่แก็บตายขันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราจะรื้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้ความเปลือยเน่าความแก่ความเจ็บความตายไม่ลงธรรมะไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และผไม่รู้ คุณของพระพุทธธรรมผสมกับเหมอกันมีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ขึ้นอยู่กับท่านพระรูปไม่ขึ้นอยู่กับท่านพระแม่รูปเมื่อพิจารณาถึงอย่างนี้แล้วชัดอย่างนี้เลี่ก็เท่ากับว่าภาวนาพุทโธอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เท่ากับว่าภาวนาธรรมโมอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เท่ากับว่าภาวนาสังโฆอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เท่ากับว่าพิจารณา สมถะเลยไปัชนาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนถ้าเห็นชัดอย่างนั้นเพราะเห็นชัดในคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ว่าไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้และไม่ลงมองทํามาเอีกด้วยผู้ที่เขาไม่ถือว่าพุทธศาสนาน่ะคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ก็มีอยู่ประจําโลกถึงไม่อยู่ไม่ประจําใจเขาก็าตามหาที่ระหว่างไม่ได้นั่งถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วการถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่งอแง่า น, านอคอนแคลน เดี๋ยวๆดี๋ยามันได้ท่านั่นหละนาฬิกานี่ยนาฬิกาแรื่นี้แก่นี่นาฬิกาพ่อเศร้าหรือเล่าพ่อพ่อหรือเล่พ่อเราไปพอไปนะพ่อหรอเนาะชั่วโมงหนึงน่งแม น, แม น, มนห่าแมนห่าชัมงหนึ่งอะนะเออเอาละให้พรต่ อ, อไปนี่ ให้พรเป็นธรรมเนียมเป็นสัมมาวายาเป็นการอวยชัยให้พรกันยะธาวาติวาห้ามปุราภริ์โพเรนตีซาขลังเอวามเวยวะอโยตินดังเปตานังอุปการปฏิที่ตางมาที่ต่างตัวผางทิพมเวยวสุเมชสุทพิภูเรนตุสังคปะกันโทปนารโสยะามณีโสตีลาโสยะาสพิตรโยวัจันตสัปปุโคสัปปโยสัปโโคเวนัสตุมาเตภวจัลตารโยทุกีตีคายุโก พระอภิวาทนาสีนิสสันิจังมุตตาปจการโยยัตตาโรธรรมาวัทฐานติอายวันโนสุขังพระหลังมันเป็นหวัดคัดจมูกมันเป็นวัดไอมีพี่มีน้องมาไล่ป่านี่เนี่ย้ากันไม้แห้งมันไหนประโยชน์ยังบ่ละหรือว่ากุมคาม้าป่ะกุมค้ารถจำบ่ะกุมค้ารถว่ลลาม่าเน่ะกุมค่านมั่นบอลลาม่า ตาไม่ขอวัดเนาะยาดอกเนาะดีพอดีก็สร้างเก็บไรเถ้าืางสิ่งหลายๆไม่ได้หลายกแตเก็บเถ่าละหน่อยนาะไม่ได้มากก็เก็บที้ละน้อยเทศพรให้ถือของเทศพรให้ถูกคําเก่ามันก็เทศไม่ได้ผู้เทศกับผู้เก่าผู้ฟังกับผู้เก่าจะไม่ให้ผู้ถูกคําเก่ามันก็ไม่ได้คนที่ฟังเทศก็ฟังเข้าที่หูนไม่ให้ถูกคําเก่ามันก็ไม่ได้ไม่ถูกค็บถูกใจมันก็ไม่ได้ใจก็เป็นของเก่าเอสาธโมสนันสนูผู้ฟังเอาใจ ฟังพระแทก็เอาใจเทศนะ่ะจะให้ถูกของเก่าไม่ได้เพราะเราหลงของเก่าถ้าเราไม่หลงของเก่าเราก็ไม่หลงของใหม่เหมือนกันคนเข่าแล้ยมดเวลา ก, กินมดเวลานัง่งมดเวลานอนมดเวลานึกเวทมดเวลาคิดจนมุ่มอุปมาคือม้าเขาลีจนมุ่ ม, ม, มาาานม่ะเข่าปลาเ น, นี่ยคำมันเข่าเวีน พระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็หนึ่งทุ่มแล้วคนจะมีมากจากเพียงไหนก็นตามก็ย่นลงมาเป็นธาตุดินน้ำไฟลงส่วนจิตใจย่นลงมาห า, ากุศลธาตุคือบุญหรืออกุศลธาตุคือบาปซึ่งมีอยู่ในหัวใจแต่ละท่านแต่ละคนที่ทำน้อยและทำมาก ตามจติตของใครของมันแต่ละท่านแต่ละคนเยน่อนลงมาเป็นหนึ่งเอกคือจนลงมาเป็นสองก็คือรูปสังขาร น, นามสังขารหรือรูปประธาณามธาตุหรือรูปประโลกนามะโลกหรือรูปอินเซนามอินเซหรือรูปประธรรมนามะธรรมาย่อนลงมาเป็นสอง <c oughs> ย่นลงมาเป็นหนึ่งก็คือมโนภาพย่นลงมาเป็นสูตรถ้าสูตรก็ซื้อสูตรใจพระเวไนยใจพระประมาจใจย่นลงมาหาที่ใจแปดมื่นสีพระธรรมขันย่นลงมาที่นั่นพุทธสมสงก็รวมลงมาที่ดวงใจ ธารุวัตศีรวัตภาวนาวัต<ม>ก็ย่นลงมาหาที่ใจความดีความชั่วย่นลงมาหาที่ใจเพื่อจะปฏิบัติง่ายถ้ากระจุยกระจายกันอยู่ก็ปฏิบัติยากแต่ตู้จักวิธีแล้วขอไม่ไปฏิบัติปฏิบัติยากที่มา ย, ย่นลงมาก็อุปมาาที่ปล่อยให้โคไปกินหญ้าที่ย่นมาเพราะตอนเ ข, าข่าคอก ข้อก็คือข้อใจทำบุญแล้วก็มาอยู่ข้อใจทำบาปแล้วก็มาอยู่ข้อใจใจเราเคยใจเราเคยได้ท네ําบุญอะไรไว้ก็ต้องตรวจดูของใครของมันถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจพุทธธรรมสงฆ์ถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจถ้าไม่ถือพุทธธรรมสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์ก็ไม่มีอยู่ที่ใจ ถ้าไม่รบเขารบพุทธธรรมสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์ก็ไม่ม so, um, ีอยู่ที่ใจถ้าเขารบทานศีลภาวนาทานศีงภาวนาก็อยู่ที่ใจมีศีลตัวเดียวมีสมาธิตัวเดียวมีปัญญาตัวเดียวมีนิพพิทาวิราคะวิมุตติสุทธิตัวเดียวเป็นระดับไปถ้าพนก็พ่นจากใจถ้าไม่พ่นก็ไม่พ่นจากใจโลภก็อยู่ที่ใจโกรธก็อยู่ที่ใจหลงก็อยู่ที่ใจ นอกจากกาไม่มีโรคกดหลงจะมาอาศัยอยู่ได้มันไม่ประอัดมันไม่ประอาศัยอยู่ที่ดินน้ำไฟลมภายนอกงั้นมาอาศัยอยู่ที่ดวงใจของมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวมาในวัตาสงสารใจอันเดียวอันเปรียวไม่มีญาติมิตรไม่มีที่พึ่ง ถ้าใจไม่มีไม่มีที่พึ่งใจใจจะไปพึ่งตาพึ่งหูพึ่งแกนลูกพึ่งริ้นพึ่งกายก็พึ่งได้ชั่วคราวเท่านั้นหมดกําลังก็พึ่งตนเองแก่มาแล้วพึ่งตาตาก็ฟางสะพึ่งหูหูก็ไม่ได้ยินสะพึ่งกายกายก็ลุกไม่ได้ไปไม่เป็นจนถึงกับนอนคาเที่ ใจก็ต้องพึ่งใจถ้าใจได้สร้างกุศลผลบุญไหว้ใจก็ระลึกถึงถ้าไม่ได้สร้างกุศลผลบุญไหว้ใจก็ไม่มีสิ่งที่ระลึกคําสอนอยนรวมมาหาใจแห่งเดียวจึงไม่กระจุยกระจายถ้ามากก็มากลงที่ใจถ้าทําดีมากก็มากลงที่ใจถ้าทําชั่วมากก็มากลงที่ใจไม่ได้มากไว้ที่อื่น พูดง่ายง่ายฟังง่ายง่าปฏิบัติง่ายง่ายคำเพี์ลึกล้าก็คำเพีใจขันธมารมานคือปัญจขันหัวหน้าปัญจขันก็คือใจคือวิญญาณขันกิเลสมารมานคือกิเลกก็ทรงอยู่ที่ใจถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจ อภิสังขารมารมานคืออภิสังขารอภิสังขารสามปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบุญถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจละปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบาปถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจอเนินชาภิสังขารอภิสังขารคือเนียนาคือสมาธิสมาบัติสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจชานังแปลว่าเพ่งอยู่ที่ใจ สมาธิแปลว่าตั้งมั่นลงที่ใจในกรรมาฐานอันใดอันหนึ่งเรียกว่าอนียนชาพิสังขามารหามารหาเทวบุตามมารคือเทวบรใครเป็นเทวบรก็คือใจปราถนาเทวบุรถ้าใจปราถนาเทวบุรก็ยังไม่ถึงพระนิรานง่ายก็จะไปเ ส, เสวยเทวบุตรอยู่จึงเรียกว่ามาร ผู้ปรรประพฤติพรหมจัรย์ปาธนนเป็นเทวบุตรเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติได้แต่ว่าเป็นนิสัยจะเป็นอยู่มัจจุมานมานคือเพราะนะอันนี้หมายถึงกายอันนี้เพราะใจตายไม่เป็นถ้าจะทำดีก็ความตายมาถึงก่อนสัก เลยไม่ได้ทำความดีเช่นอาลารดาบทอุตุกะดามบทรามบุบทนั่นท่านได้สมาธิสมาบัติถึงเนวสัญญานาสัญญายัตนะแล้วแต่พระบระมศาสตร์จะได้จัไปโผลดองค์ท่านองค์ท่านก็ทิ้นลมปานไปซะเรียกว่ามัจจุมานมานมนะณะตายไปก่อน ถ้าไม่ตายไปก่อนก็จะได้ถึงพระโสดาบันหน่อย่ะเออเสียดายหนอออกจากนั่นก็เลยไปหาปัญจวัคคีปัญจวัคคีทั้งห้าโกรธธัญะว่า ป, ปะพัทยะมหานามะอจัยคิขมปติใครตื่นบ้า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 พบอยู่ที่ใจหาพระพุทธศาสนาก็พบอยู่ที่ใจหาธรรมศาสนาก็พบอยู่ที่ใจหาสังฆศาสนาก็พบอยู่ที่ใจถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าหายก็หายออกจากใจใจเป็นโลกทิพย์โลกทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์มีความหมายอันเดียวกันจะทําชั่วก็ทําลงที่ใจเพราะใจเป็นผู้ทําจะทําดีก็ทําลงที่ใจเพราะใจเป็นผู้ทํำเรียกว่าโลคทิพย์ทำทิพย์ใจทิพย์ จะให้ผลต่างกันคำว่าทิพย์มันเป็นคำกลางให้ผลไปในาทางทั่วก็เรียกว่าทิพย์ให้ผลไปในาทางดีก็เรียกว่าทิพย์ถ้าไม่ปฏิบัติใจก็ไม่มีสิ่งที่จะปฏิบัติผู้จะดีจะทั่วข้าใจเท่านั้นผู้ที่จะสูงต่ำรุ่มดอนขึ้นในทางดีทางทั่วก็คือใจเดินฟ้าอากาศไม่ได้สูงต่ำรุ่มดอนขึ้นทางดีแนละทางทั่ว ดิฟ้าอากาศพรกเมือนกันเป็นมอระดกดังเดิมจะไปเกิดที่ไหนก็เอามอระดกใจไปด้วยและเมีบุญเป็นอาหารและเมืบาปเป็นอาหารของใจเมื่อสร้างบุญเต็มแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไปซักบาปก็เลยสร้างแล้วไปในตัวเดี๋ยวนี้พวกเรายัางบกุกเพาะทางบุญอยู่จนได้สร้างบุญลงที่ใจ บุญญานี่ปะโกรกัสเหมงบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าและอย่างยิ่งคือพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็มาด้บัญญัติกราบุญบัญญัตว่าทำอันไม่ตายไม่เป็นหน้าที่จะบัญญัติบุญอีกเพราะไม่สมฐานะพระนิพพานเพิกสุบาสุบาสิกาพระบรมศารีรัตเธอทั้งหลาย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 นี่โรกนี่โกรธนี่หลงยังคำละสัสนาไม่หมดก็จำเป็นได้มาเกิดท่องเที่ยวในวัดตาสงสารท่องเที่ยวไปย ใ, ในเกิดในแก่ในเก็บในตายบ้านของใจก็คือกายชั่วคราวบ้านชั่วคราวของใจตาหูจมูกเล่นเป็นหน้าตาบ้านของใจตาหูจมูกลล่น ตายเป็นประตูหน้าตาของพระญาจิตราชพระญาจิตราชรับเมด่วนดวนมาทางตาบ้าดวนมาทางหูบ้าดวนมาทางจมูกบ้าดวนมาทางลิ้นบ้างดวนมาทางกายบ้าชวนใจที่จะไปรักไปทางไปหลงอันนั้นมันขึ้นอยู่กับใจเป็นอิสระนะ นั่นเป็นหน้าที่ของตาหูจมูกเลี้ยงกายจะไปเป็นอิสระใจจะต้องเป็นผู้อิสระโรคโกรธหลงเป็นของละได้ยากโรคก็ใจเป็นผู้โรคโกรธก็จะเป็นผู้โกรธหลงก็ใจเป็นผู้หลงถ้าว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วมันก็ทิ้งตูมเลยที่มันทิ้งไม่ได้เพราะเพราะว่าไม่เห็นว่ามันพอใช่พอสอยอยู่มันก็เลยเอามาใช่ี่มันก็เลยมาทิ้ง มันเห็นว่ามีประโยชน์อยู่ว่าถ้าว่ามันเห็นว่ามั น, มนเป็นโทษมัวก็ทิ้งเลยและมันก็เคยชินมานอกจากน้มไม่มีอันใดจะล้างสกุลร่างกายให้สะอาดนอกจากทานวัดศีรวัตภาวนาวัดหรือพุทธคำสงหรือคาสอนของพพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีอันใดที่จะล้างใจให้สะอาดได้ โรคกดหลงมาเป็นหน้าที่จะร่างกายส้ศา์มีแต่เพิ่มความสกปรกสวมมุมเหตุฉะนั้นการปฏิบัติการปฏิบัติตเพื่อผ่อนปรนกิเลสจึงปฏิเสธไม่ได้คำสอนพระพุทธศาสนาะเป็นคำสอนสาสมานสามกีเป็นคำสอนที่รักชีวิตเป็นคำสอนที่รักสิ่งของ อันได้มาโดยบริสุทธิ์รักขีคือห้ามไม้ค่าไม่ให้แกงซึ่งกันและกันรักเสียงของคือห้ามม่ให้รักของกันเป็นคําสอนที่หวงตระกูลคือไม่ให้ผู้ใดมาล่วงประเวณีการเมือสืมิจฉาจารไม่ให้ก้าวกายเคารพตระกูลเคารพสมบัติของแต่ละท่านละท่าน เขารับบาจาด้วยจึงห้ามม่ให้พูดปดเพราะเสียเวลาทั้งผู้พู ด, พดเสียเวลาทาั้งผู้ฟังไม่มีประโยชน์ทั้งสองทางจึงห้ามดื่มสุราแต่ไม่ดื่มมันก็เมาอยู่แล้วเมาว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสารพัดยิ่งดื่มก็ยิ่งเมาเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาเกิดโรคต้องติเตียนไม่รู้จักอาย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 เห็นว่าเป็นประโยชน์เว้นมาได้สิ่งไหนที่ไม่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ดิ่งลงแล้วมันก็เว้นได้ตามที่กําลังของตนตายช่างหัวมันเถอะแบบไม่มีบุญไม่มีดอกความเห็นช่นนี้นั้นเป็นที่อุ่นใจของตนแล้วหรือยังมาต้องตรวจดูอีกถ้าไม่เป็นที่อุ่นใจของตนมันก็จําเป็นได้ประพฤติปฏิบัติเหมือนชาวทำเหมือนชาวโลกความเห็นที่มุดทะลุ มันก่อโมฆะุแต่เวลาที่มันโกรธแต่มันหายมฆะรุแล้วมันก็มาคำนึงอีกอยู่นั่นเองนะเออสิ่งหล่านั้น เ, ออเราไปทำเสียแล้วเสียเปรียบแล้วแต่นี้ต่อไปเราอยากทำมันก็เอามาสอนตนเหมือนกัน